ปริยาปันนทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระส9งสภาวธรรมที่นับหนึ่งเนื้อวัตถุอาศัยสภาวธรรมที่นับหนึ่งเนื้อวัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่นับหนึ่งเนื้อวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิชนที่คณนะพึงทำทุกกะนี้ให้เหมือนกับโลคิยะทุกกะ ในจุลันตะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันปริยาปันนทุกะจบ97นิยานิกะทุกกะ1ปฏิจจวาระ1ปัจจญานุโลม1วิพังควาระ300สภาวธรรมที่เป็นเหตุเนิมออกจากเวตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเนิมออกจากเวตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาม อาศัยข um, ันหนึ่งที่เป็นเหตุนำออกจากเวัททุกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัวทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากเวทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แ่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุนำออกจากเวททะทุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากเวทุกข์และที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททะทุ อาศัย <ITA> สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากเวตทุทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุนำออกจากเวททะทุกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททะทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวตทุทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุกเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์และที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุขเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ จิตตสมุทานรูปอาสัยขันที่เป็นเหตุนำออกจากเวททุก์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 1. ปัจจญานุลม 2. สังกยาวาระ301้30เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีหาวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสองปัจยปัจญิยะ หวิพังขวาระนัเหตุตุปัจจัยและนัอารรมณปัจจัย302สภาวธรรมที่มีเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุออกข์กเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกขเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนที่ขณะที่เป็นนัเหตุตุระ หาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่งเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยนิสสัตตพรมโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโค ด, ด้วยอุททะจะอาศัยขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุททัจะเกิดขึ้นและถึงเพราะนะอารรมณปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยเป็นต้นสามร้อยสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เกิดขึ้น เพราะหนะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวตาทุกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาสันิสัตพรมและถึงเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตระปัจจัยเพราะหนะอัญญมัญญปัจจัยณนะุ้เรชาตปัตจจัยเป็นต้นสามสี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์เกิดขึ้นเพราะนบปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์เกิดขึ้นเพราะนบปุเรชาตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุเกิดขึน้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ เพื่เพิ่มข้อความจนถึงอาศัญยสัตตพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์และที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสองปัจจะยปัจจนียะสองสังขยาวาระ สามรห้าณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสียปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระ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 นิยานิสกะทุกกะสปัจจยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยมร้หสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข ทำสาภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขทรมาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข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 รำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปท ร, ร ม, มหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น307รสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุทมสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุ และที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกและที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่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 และถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์และทำหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 1. ปัจจายานุโลม 2. สังขยาวาระ3ามเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมาณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระ สหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสีวาระปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระมาติวณะปัจจัยมีสีวาระรมะปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 2. ปัจจะยะปัจจนเนยะหนึ่งวิพังขวาระ นัเหตุตุปัจจัยเก้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุธรรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทะนรูปธรรมขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงขันสองพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญสัตตพรม จักโหวิญญาณทำจักขายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทจฉาทำขันที่สหะรโคดด้วยวิจิกิจฉาที่สหรโคตด้วยอุทจฉาและธทำมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันที่เป็นเหตุนำออกจากเวัททุกข์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวัททุกข์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัททุกข์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าธิปฏิปัจจัยได้แก่ละถึงทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัททุกขพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศันิสัตตพรมจะขูวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 นาอารมณปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจใจมีสี่วาระนาอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงนาอุปนิเสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมี่วาระนาปัจชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระนาอาศัยวุณปัจจัยมีหนึ no ่งวาระนากรรมะปัจใจมีสี่วาระนาวิปากปัจ <masters> จัยมีเ้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทรียปัจจใจมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจใจมีหนึ่งวาระนามะฆาปัจจใจมีหนึ่งวาระณสัมบยุตตปัจจใจมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนาติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบเจ็ดนิยานิกะทุกละห้าสังสัทธาวาระ หปัจจญานุโลมเป็นต้น312สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุรรกขเปิดรัคนกับสภ า, า, าวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกขเพราะเหตุตัวปัจใจได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกและถึงเกิดรัคนกับขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เปิดรัคนกับสภ า, าวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุ เพราะเหตุกปจัจใจได้แก่ขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุนํมออกจากวัฏฏุข์และถึงเกิดระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุกปจัจใจมีสองวาระอรมณะปัจัยมีสองวาระทุกปัจัจมีปัจัจละสองวาระวิปากะปะจัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีสองวาระอนุโลมจบ นาเหตุปัจจ <energy> <pal> ัยมีหนึ่งวาระนาทิติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระนาอเสวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรมมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีสองวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจ尼ยะจบ การนับสองอย่างนอกนี้และสัมประยุติวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบเจ็ดนิยานิกะทุกกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย สามสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแห่สามปยุติขันโดยเหตุตุปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแห่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏะทุกขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏะทุกขโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏะทุกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานนรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยสามสิบสี สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกโดยอารมนาปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมักแล้วพิจารณามักรู้จิตของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแห่เจโตปริยญาณโอเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิต โดยอารมัตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์โดยอารมัตปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลิน เ, เ, เพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลิพลนกุศล น, นั้นราคะโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว่ดีแล้วออกจากฌาน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 บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประสงคทาตรารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุข์ด้วยเจตโตปริยญาณอาคาสารัญจายตนะนนยยตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญานาสัญญายตนะรูปายต น, นะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโผทะพ า, ายตนะเป็นปัจจัยแห่กายะวิญญาณ ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกขเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปูเพ ja นิวาสานุสติญาณเหยาคาโมปัคยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์เป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นป like like <lon> ัจจัยแก่มรรคโดยอารมณะปัจจัย ธิปติปัจจัย315สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว yes คือสหชาตาธิปติได้แก่ธิปติธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกเป ah ็นปัจจัยแก่สัมยุญจขันโดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก โดยที่ปฏิปัจใจมีสองอย่างคืออารมณนาทิปฏิและจหชาตาธิปฏิอารมณนาทิปฏิได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจหัชชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจใจพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอธิปดีธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ เป็นปัจจัยแค่สามยุทธคันและจิตตสมุทานรูปโดยทิปฏิปัจจัย316สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและจหะชาตาธิปฏิอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาที่ปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแค่สัมพยุจตขันและจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปฏิได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้นสามร้อยสิบเจดสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ มักเป็นปจัจจัยแผ่ผลโดยโนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแผ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์โดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ขันธ <ça> ์ท <ý ger> <debts> <Fine. S 3> ี่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแผ่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์ซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแผ่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแผ่โวทาน ผลเป็นปัจจัยแห่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแห่งพระสมาบัติในวาสัญญานาสัญญายัชนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแห่งพระสมาบัติโดยอนัตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์โดยอนัตระปัจจัยได้แก่โพธระภูเป็นปัจจัยแห่งมัคโวทานเป็นปัจจัยแก่งมัคโดยอนันตระปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสำนันตะระปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมี7วาระอุปานิสยปัจจัย318สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์โดยอุปนิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือภะคตูปานิสย ได้แก่ปฐมมรรคเป็นปัจจัยแค่ทุติยมรรคโดยอุปาณิสยาปัจจัยตติยมรรคเป็นปัจจัยแค่จัตุธรรมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยาอันันตารูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่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 มากเป็นปัจจัยแห่พระสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย319สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปนิสัยอนันตารูปนิสัยและปะกะตูปนิสัยปะกะตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุก แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอบอุศตทำฌาในให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n นะเถือทิฐิอาัยศีลที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุปัญญาราคะความปรารถนาอูตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุเสนาสนะ เป็นปัจจัยแข่งศรัทธาที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายพละสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแข่งสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปะนิสยอนันตะรูปะนิสยและปะกะตูปนิสยปะกะตูปะนิสยได้แก่ บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแยก่เจตุธมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้น3ามยสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุน้ำออกจากวาตัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุน้ำออกจากวาตัตทุข์โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระพึงทําให้เหมือนกับอรูปปัทถุ เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเจวนปัจจัยมีสองวาระกวมมรรคปัจจัย321สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขโดยคัมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยความมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุขโดย k a ม m a ปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกเป็นปัจจัยแ่จิตตสมุทารูปโดย k a ม m a ปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขเป็นปัจจัยแ่ผลโดย k a มมะปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เจตนาที่เป็นเหตุนําออกจากวัตถุกข์เป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตคขันและจิตตสโมทานรูปโดยก a ม m a ปัจจัยสาม้อยยี่สิบสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตถุกขเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตถุกขโดย k ัม m a ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะยอ่อนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที <información, S 2> pues mm ่ไ hmm. ม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏ um ุเป็นปัจจัยเกิผลโดยธรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระเท่านั้นเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระ พึงทำให้เหมือนกับอรูปปัทุกะเป็นปัจจัยโดยอาติปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงทำให้เหมือนกับอรูปปัทุกะการระบุข้อความแตกต่างกันเพียงบทเท่านั้นเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตาปัจจัยมีเจดวาระหนึ่งปัจญานุลมสองสังคยาวาระ สามร้ยยีเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสมวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสมวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิจญาปัจจัยมีเจดวาระอุปริสิยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ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 นัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสามอยี่สิบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวตัตทุก์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวตัตทุกขโดยสหาชาติปัจจัยและอุปนณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวตัตทุก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุโดยระมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่นำออกจากวัตทุและที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุโดยชาตะปัจจัยสามยสห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ เป็นป ja <lad> ัจ <noise> จ at ัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรมมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไ <fonction> ม <kiye into uth> ่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนํำออกจากวัตทุขโดยอุปานิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย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 สองปัจยะปัจญิยะสสังคยาวาระ326รนัเหตุปัจจัยมีเจดวาระนัอรามณปัจจัยมีเจดวาระนัอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนัอนันตระปัจจัยมีเจดวาระนัสัมปันันตระปัจจัยมีเจดวาระนัสหชาตะปัจจัยมีหวาระนัอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนันิสียปัจจัยมีหวาระ ณอุปาณิสยปัจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเจดวาระและถึงณสัมพยุตตปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระโนอธิปัจใจมีสี่วาระโนนติปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตาปัจใจมีสี่วาระ 3ามปัจญานุโลมะปัจญิยะ327 ร, ยยรอณอารมณปัจใจกระเพตุปัจใจมีสี่วาระณธิปติปัจใจมีสี่วาระณอนันตระปัจใจมีสี่วาระณสมนันตระปัจใจมีสี่วาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิเสยปัจใจมีสี่วาระและถึงนสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิบยุตตปัจจัยมีสองวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสปัญญาปัจจญญานุโลมสามรอยี่สิปดอารมณะปัจจัยกับนัเหตุตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาร ะ, จจาระพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิจารณาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระนิยานิขะทุกกะจบเกสบแปด นิยตตทุกะหนึ่งถึงหกปฏิจจวาระเป็นต้นสปัจยะปัจจญญานุโลมสามรอยยี่สิบปดอารมณ์ปัจจัยคำนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระพึ่งขยายบทอนุโลมมาติคาให้พิสดารและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระนิยานิกะถุกะจบ